เวลาไปพาตัดแก๊งอะนเาลี่นชื่อรายารมันมันไปเยอะเลยแล้วเดี๋่วต้ารเป็นอีกหนึ่งใช่ค่ะเอ้าคำถามทีนี้ถ่ายหรือยังนี่ค่ะถ่ายแล้วถ่ายแล้วค่ะต้องให้ได้ยินคำถามก่อนเพราะถ่ายแล้ววิบาเรื่องของมุา ไม้ถึงแต่ละคนเนี่ยวิบากถึงตามได้ถูกต้องตามตัวคนแต่ละคนนะคะทั้งที่ทำไรล่วงเลยนานมาแล้วไม่รู้กี่พบกี่ชาติเกี่กี่แสนกลับใช่ไหมทำไมยังตามมาถูกตัวทั้งที่เปลี่ยนร่างเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างเปลี่ยนอะไรไปสารพัดแล้ว่ะใช่ไหมทำไมยังสามารถตามมาให้ผลได้อยู่ ก็น่าจะดับไปพร้อมกันกับดับดับไปพร้อมกับภบชาติที่รวมไปดับไปนั่นะใช่ไหมล่ะมันทำไมจึงตามมาอยู่ได้นี่คือความสงสัยคือคือสงสัยว่ามันตามมาถูกคนได้ยังไงอะไอไอ้ดับที่คงไม่ดับแม่แต่เข้าใจว่ามันต้องตามมาแต่มันตามมาถูกคนได้ยังไงพระุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า กรรมที่ได้กระทำลงไปแล้วจะนําไปสู่เป็นวิบากและวบิบากอันนี้โอมบอกว่าประดุดดังเงาติดตามตัวมเมื่อเรามองเห็นคําว่าเห็นเห็นคําว่าเงาติดตามตัวนี่จะเห็นภาพของเงาของเรามันทําไมตามถูกตัวเราไปได้ทุกที่ถึงแม้เราจะเปลี่ยนไปเป็นอะไรก็ตามเงาก็จะตัวเปลี่ยนไปตามนั้นใช่ไหม <c oughs> โอมบอกว่า การติดตามให้ผลของวิบากประดุดดังเงาติดตามตัวฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะไปเกิดเด่นที่ไหนก็ตามเงาก็คือสิ่งที่เชื่อมโยงกับตัวเราที่ ไ, ได้ไปเกิดบุคคลผู้ไม่ไปเกิดแล้วเท่าะนั้นเงาจึงตามไปไม่ได้ไม่มีตัวเกิด จ, จุติปฏิสนธิไม่มีเงาก็หาหาตัวตัวปอบไม่เจอ สุดท้ายเงาก็ค่อยๆสลายตัวเองไปหรือดับไปแต่ถ้ายังมีจุดของการเกิดจุดติและปฏิสนธิในภพใดภพหนึ่งเงาก็ติดตามไปได้กับบุคคลผู้กระทากรรมทุกๆชนิดดะนั้นแล้วสิ่งที่เรากระทำลงไปไม่มีทางหายไปไหนแม้สภาพธรรมจะบอกว่ามันเกิดมันดับก็จริง ตัวเกิดตัวดับก็ให้เกิดก็ดับไปแต่การส่งผลหลังหลังจากที่มันเกิดมันดับแล้วเนี่ยสิ่งที่กระทําลงไปแล้วเนี่ยเหมือนเงาแน่นอนนะถึงแม้จะดับไปตอนนั้นแล้วใช่ครับถึงแม้การกระทําจะดับไปตอนนั้นแล้วแต่ยังมือเงาตามตัวตเงาติดตามตัวอันนี้โฟมทรงตัดไปอย่างนั้นประดุ ด, ดังโงติดตามตัวทั้งกรรมดี ก็จะส่งผลให้ได้ถูกตัวคนไม่ผิดตัวคนกรรมไม่ดีก็ส่งผลให้ถูกตัวคนไม่ผิดตัวคนเพราะคือเงาของจิตเงาของการกระทำเงาของกรรมเงากรรมเป็นเป็นไปตามกำลงังใช่ไหมครับใช่ไม่มได้มีเป็ลูกเป็นล่างเป็นตัวตนใช่ มันก็จะมีกรรมในลักษณะที่เป็นพลังกรรมเรียวกว่าิบากกับกรรมที่มีดวงจิตดวงวิญญาณที่เรากระทาการก็ควรเบียดเบียนในรูปของเงนนายเวนอันนี้ก็มีพวกที่เป็นนายเวนอันนี้ก็ก็คือเงากรรมอันหนึ่งแต่อยู่ในรูปของผู้กระทาคืนกับ พลังกรรมซึ่งไม่มีผู้กระทำพื้นไม่มีโจทย์ไม่มีผู้ที่เป็นนายเบนคอยขอควรคืนเอาคืนอะไรเงี้ยพลังกรรมนี้ก็ยังจะต้องให้ผลตามกำลังแห่งการการะทำวิธีปฏิบัติต่อกรรมวิธีปฏิบัติต่อกรรม เราต้องเข้าใจคาว่ากรรมก่อนกรรมคืออะไรการกระทำการกระทคำว่าการกระทำนั้นคือกระทาไม่ใช่การกระทำคือการกระทำสมมติว่านั่งอยู่ในขณะนี้ได้ชื่อว่าเป็นการกระทำไหมเป็นใช่ไหมเพราะฉะนั้นการกระทำนั้นที่จะชื่อว่าเป็นกรรมต้องประกอบด้วยเจตนาถ้าไม่เจตนา ไม่ได้เป็นกรรมแต่เป็นกิริยาถ้าอย่างนั้นอย่างเรานั่งโดยไม่ได้เจตนาจะนั่งก็คือมันต้องนั่งอย่างนี้ค่ะไม่ไม่ได้มีเจตน า, าจะนั่งเป็นเจตนาเพราะก่อนที่จะมานั่งต้องคิดก่อนว่าจะนั่งเจตนาก่อนว่าจะนั่งแต่ตอนนั่งแล้วมันเหนือเจตนามันมันเลยเจตนาไปแล้วเลยไม่รู้สึกว่าเจตนา มันเจตานามาก่อนที่จะมานั่งถ้าไม่มีเจตานานั่งไม่ได้ทุกอย่างประกอบไปด้วยเจตานาหมดมีจําพวะเดียวที่ที่เรียกเจตานานั้นว่าเป็นกิริยาแล้ยว่าเจตนาที่ไม่เป็นเจตานาคือพระอรหันต์พระุทเจ้าพระอรหันต์แม้จะเจตานาแค่ไหนก็ก็ <c oughs> ไม่ใช่เจตานาที่อาจาเคยเปรียบเทียบว่าเหมือนกับน้ำหนึ่งขวด น้ำหนึ่งขวดนี้ถ้าเป็นความคิดของปู่ทูชนจะประกอบไปด้วยเจตนาเหมือนกับน้ําที่เต็มขวดให้ผลเต็มที่ในขณะแหง่งเจตานานั้นหนึ่งความคิดนั้นผลตอบสนองมาที่จะเป็นเงาติดตามตัวนี่เต็มที่ผลกรรมถ้าเป็นพระโสดาบันผลแห่งกรรมเหมือนกับเจตนาของพระโสดาบันเหมือนกับน้าที่ไม่เต็มขวดจะคล่องลงมาจะส่งผลไปในภพชาติที่ ไม่เกินเก็บคือจะส่งผลแรงเพราะเจตานะจะส่งผลให้ไปได้เจตชาติจะเจอสุขเจอทุกในเจตชาตินี้ด้วยแรงแห่งเกจตานาภาษกาทานามีเหมือนกับน้ำครึ่งขวดจะสงผลให้ดเป็นไปในภพในแรงเกจตานั้นหนึ่งชาติหนึ่งภพภาษานามีเหมือนกับน้ำหนค่อนลงมา จะส่งผลให้แรงเจตนาของท่านที่ท่านทำลงไปทั้งหมดทางกายวาจาใจคือหมายถึงว่าจะเจตนาเต็มที่ก็ตามแต่กําลังหรือแรงของเจตนามันอ่อนอ่อนลงส่งผลไปได้ที่สุทาว่าสพระอรหันต์เหมนกับน้ำที่หมดกวดไม่มีน้ำอยู่ในนี้จะเจตนาแค่ไหนก็ตามเต็มที่แค่ไหนก็ตามด่าใครจนหน้าดําหน้าแดงแค่ไหนก็ตาม <c oughs> เจตนามีมแต่กําลังของเจตนามันมันไม่มี <c oughs> กำลังที่จะสมผลมันไม่มีแต่อย่างถ้าเ ป, เป็นเป็นบุนุคนธรรมดาเนี่ยบางครัค้งก็แยกไม่ออกว่าเจตนาหรือไม่เจตนาด้วยค่ะเจตนาเนี่นอนแต่เปความเจตนาไม่ออนแม้จะไม่เจตนาก็เจตนาเนี่นอนมันก็อ่อนพราเหมือนกับน้ําเต็มขวดมันจะไม่ให้มีเจตนาเป็นไปไม่ได้แต่ที่พุทธเจ้า ท, ทรงบอกว่า ความจงใจจโจงใจที่โค้งแต่ว่าเป็นกรรมน่ะก็คือจงใจอย่างแรงกล้ามีเจตนาอย่างแรงกล้าประกอบด้วยเจตนาร้อยเปอรเซใช่ประกอบด้วยเจตนาร้อยเปอรเซนต์คือแรงกล้าเพื่อเป็นกรรมในความหมายนั้นแต่ทุกๆขนาดไม่มีขนาไหนเลยที่ไม่เจตนาแม้นั่งอยู่นี่ก็เจตนาเพราะฉะนั้นเจตนาพวกบอกว่าเจตนาหังนพกฆเวกรรมมังวาดามิเจตนาเป็นตัวกรรม จริงๆเจตานาเป็นตัวควบคุมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นให้ทานรักษาศีลทำสมาธิเจริญปัญญาอาศัยเจตานาล้วนๆจะไดงว่ า, อ, าอย่างเมื่อวานักโทษที่เขาทำผิดแล้วก็บอกว่าเขาไม่ได้กเจตานาอย่างนี้ก็ผิดไม่ใช่เขาเจตานาเขาตัดสินที่ความผิด<ะ>ผิดที่เป็นความผิดไม่เกี่ยวเจต น, นาก็ ค, คือเจตานาท่นแหละ เป็นความผิดบางค น, คนเหมือนกับว่าอไม่เจตนาไม่ได้เจตนาแต่รู้เท่าไม่ถึงกลางอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แสดงว่ามันขัดกันอะไรอย่าี้ใช่ก็คือเจตนาอยู่อ่อนๆจนนําไปสู่ความเป็นความผิดขึ้นทีนี้คำว่ากรรมคำว่าเจตนาเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องของการการะทาที่เป็นอยู่ขณะ น, นี้ไม่ใช่การการะทาที่ล่วงไปแล้ว และไม่ใช่การกระทำที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะสิ่งที่กระทำลงไปแล้วดับไปแล้วได้ชื่อว่าเป็นกรรมไหมัเป็นเป็นกรรมที่ับไปแล้วนิบากเป็นิบามันเป็นวิบากไงไม่ใช่กรรมวิบากเดวใช่ัเข้าไปเก็บเรีบอว่ากระทเพิ่มเป็นิบากกรรมไม่กรรมเนี่ยคือ สิ่งที่กําลังเกิดขึ้นขณะ น, น, นี้จริงๆชื่อว่ากรมสิ่งที่ล่วงไปแล้วส <c oughs> ิ่งที่ล่วงไปแล้ว <c oughs> เป็นกรรมไหมสิ่งที่ทาาํามาเมื่อเช้าทั้งหมดเนี่ยเป็นกรรมไหม <c oughs> มันผ่านไปแล้วเพราะมันผ่านไปแล้วมันเป็นกรรมไหมเป็นกรรมได้ยังไง <c oughs> <c oughs> มันดับไปแล้ว <c oughs> มันเป็นวิบากว่าเป็นว <c oughs> <c oughs> ิบากที่เฉยเรารอรับผลใช่เป็นวิบากที่เฉยแต่ไม่ใช่กรรม <S <S ใช่ ส, สิ่งที่ทําเมื่อเช้านี้ดับไปหมดแล้วไม่ใช่กรรมสิ่งที่ดับไปเมื่อห้านาทีที่แล้วนี่เป็นกรรมไหม <S <S 2 <S 2 <S สิ่งที่เราทําไปเมื่อห้านาทีที่แล้วเป็นกรรมไหมไม่ใช่ใช <S <S เป็นว <ceksin> ิบากนะสิ่งที่เราจะทําอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าเป็นกรรมไหมเพราะไม่มีผู้กระทํำเรียกว่า กับกําลังฟังอาตมาขนาดนี้ยแล้วได้ยินอาตมาเนี่ยคือกรรมกรรมคือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นขณะนี้กําลังเป็นขณะนี้นี่คือกรรมกรรมมันอยู่ตรงนี้เมื่อเรารู้จักว่ากรรมคือสิ่งที่กําลังเป็นอยู่ในเวลานี้นะแล้วต้องเข้าใจด้วยว่านั่นคือมีเจตนารองรับอยู่จึงจะเป็นกรรมได้ถ้าไม่มีเจตนารองรับไม่ใช่กรรม บางคนเราบอกบาคนอกเอ๊ะผมมีค้นหาในจิตไม่เห็นมีเจตนาตรงไหน <c oughs> ไม่เห็นไอตัวอาการของเจตนาที่จะกระทํำมามันไม่เหมือนกับการที่เราจงใจพุ่นคิดไขว้พวนที่จะกระทำอะไรบางอย่างนะเราจะเห็นว่าเป็นแรงเจตนาจริงแต่ขอให้ทราบว่าเรื่องบางเรื่องเป็นเจตนาโดยที่มันมันมันมันเป็นอัตโนมัติอาตมาบอกว่า แม้แต่กับพริบตาครัง้งหนึ่งคือเจตนาของเราแต่เราไม่รู้ว่านั่นคือการเจตนาของเราแม้แต่หายใจอยู่คือเจตนาของเราแต่เราไม่รู้ว่านั่นคือเจตนาอ๋อเห็นไหมเราก็คิดถูกแล้วเข้าใจไหมแล้วไมรู้ว่ามันแล้วบางทีก็ไม่รู้ว่าอันนี้คือทุกข์กรรมจึงมีอยู่สามประเภทเจตนาในด้า น, ด, านด้านด้านดีคือกุศลกรรม เจตนาในด้านอันที่ไม่ดีเรียกว่ากุศลกรรมเจตนาแบบนี้ยเฉยๆแบบกลางๆกลาๆเหมือนกับไม่เจตนาอะไรเลยเนี่ย<ะ>เรียกว่าอัพยากตักรรม<ะ>ที่มันเหมือนกับไม่เจตนาแต่มันคือเจตนาคืออัพยาการตัดเ<ะ>ข้าใจยังทีนี้เพราะฉะนั้นกรรมจึงไม่ใช่สิ่งที่ทําไปแล้วและไม่ใช่สิ่งที่กําลังจะทําแต่คือสิ่งที่กําลังเป็นอยู่ขณะนี้ ใช่ประกอบด้วยเจตนาด้วยประกอบด้วยเจตนาแน่นอนแล้วผ่านไปแล้วก็คือเป็นกรรมไปแล้วือาลเป็นบาขับรถไปมีคนวิ่งตัดหน้าแล้วชนตู้มตายเป็นกรรมไหมเป็นณตอนนั้นเป็นอัยยากตะกรรมไม่ตใจใช่ไม่ตามใจเป็นอัยยากตะกรรมเหมือนกันนะเป็นอาัยยากตะกรรม ไม่จะไม่เป็นอกุศลเพราะไม่มีเจตนาที่จะฆ่าไม่ใช่อกุศลเข้าใจเออเนี่ยจำได้กบก็ขับไปไม่ได้เจตนาถ้าถ้าตั้งใจแล้วว่าขับไปนี่ปูจะไปชนไอ้นี่ให้ตายนั่นคือคืออกุศลละกรมเป็นเจตนาแน่นอนทุกทุกครั้งที่าขับรถไป ทุกทุกขณะที่ขับรถไปหายใจเข้าหายใจออกบาปเกิดขึ้นทุกทุกลมหายใจยังไม่ชนมันนเนี่พอไปเจอมันปุ๊บหุ่งเข้าไปเลยทีนี้แล้วมันโดดหลบได้ไม่ตายบาปก็ยังเ ป, เป็นเป็นกรรมเกิดขึนน้นเป็นเจตานาตัวเจตนายังเป็นกรรมยังเป็นอกุโสกรรมแม้ไม่ตายก็ตามแต่ถ้าตายก็หนักอีกทีนี่อ๋อค่ะอาจายนากรณี ขับรถไปชนโดยที่เราไม่ได้เจตนาไม่ได้คิดมาก่อนนะคะเราถือว่ามันเป็นผลจากวิบัติได้นะคะที่ถึงต้องมาเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ใช่เราก็จะเป็นอภัยกตัต ร, ริยมไม่ใช่ว่าไม่สมผลนะสมผ ล, ส, ผลส่งผลให้ไปถูกทําร้ายโดยที่ไม่มีใครเจตนาเช่นเขาจะควงไม้ทิ้งแต่ไปโดนเราอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้เจตนาที่จะให้โดนเราแต่ก็ไปโดนเราอย่างเงี้ยมันก็ไม่เจตนา มี่อพรางในการสมผลอยู่เมื่อกี้น้องแอนถามมาว่ า, าผลแห่งกรรมเนี่ยก็จะเป็นเป็นเชื้อแห่งภพใช่ไหมเชื้อแห่งภบไม่ไม่ไ ม, ไม่เป็นไม่ได้ผลแห่งกรรมไม่สามารถเป็นเชื้อแห่งภบได้เชื้อแห่งภบมีเพียงแค่ตัวตันหาเท่านั้นผลกรรมผลกรรมเป็นเพียงแค่ให้เสวยผลเมื่อได้บเกิดขึ้นสู่ภพแล้ว ตัณหาเท่านั้นที่เป็นเชื้อแห่งภพบองคนบอกเอาถ้ารับทำอย่างนั้นเวลาใกล้จุดติกรรมที่ทามันทาไมมาเป็นคตินิมิต ร, รอบๆอจิตไม่ใช่ตัวกรรมนั่นเลยที่เป็นตัวนสู่ภพเพื่อดึงจิตให้ไปสู่ภพแล้วจะเป็นตัณหาได้ยังไงถามว่าถ้าจิตดวงนั้นไม่มีตัณหาอยู่ในนั้นแม้จะมีคตินิมิตอยู่ ถ้าไม่มีตัณหาอยู่ในนั้น<ม>เกิดได้ไหมไม่ได้เกิดไม่ได้คติชวิตมันก็คือพลังของพุทธเจ้าจึงบอกว่ากรรมกรรมทั้งหมดคือพื้นนาพื้นดินวิญญายะเสมือนเมล็ดพันธ<ม>ุ์ตัณหาคือยางเหนียวในเมล็ดพันธุ์มีพื้นดินมีพื้นดินมีเมล็ดพันธุ์แต่ไม่มียางเหนียวในเมล็ดพันธุ์มันจะเกิดได้ไหม ให้เกิดเนี่ยใช่ตั า, าใช่เพราะนั้นปัจจัยของการเกิดมันต้องพร้อมบูนกันถามาตัวที่เป็นเชื้อคือตัณหาแต่กรรมก็คือปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดคือเปรียบกาันพื้นดินวิญญาณเปียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ตัณหาคือยางเหนียวฉะนั้นแล้ว ตัววิญญาณวิญญาณจึงไม่ใช่จิตโดยประการทั้งปวงเพราะมันคือเปียบระดับเมล็ดพันธุ์เวลาต้นไม้มันจะแตกใบเนี่ยมันจะต้องทิ้งเปลือกก่อนทิ้งมันทิ้งเปลือกก่อนอย่างรากลงสู่พื้นแตกงอกใบใหม่เปลือกเดิมเพราะมันจะต้องทิ้งมเมล็ดเดิมมันใช่ไหมต้องทิ้งเหลือแต่ยางเหนียวคือพวกอาหารต่างๆที่เป็นเชื้อของกัน สู่พบหรือว่ายา ง, งราบลงสู่พื้นก่อเกิดใหม่พื้นดินก็อำนวยผลให้ต้นไม้เจริญเติบโตพื้นดินดีกรรมดีมาก็ให้เติบโตที่ที่ดีๆพื้นดินไม่ดีแต่ไมแห้งต้นไม้ก็เติบโตแบบแคะแฝงไม่เจริญองอกงามก็ประมาณเนี้ยกรรมเป็นพื้นนาเป็นพื้นดินมันจะเป็นตัวเหม็น เป็นปัจจัย่เป็นปัจจัยเครือขูลให้เติบโตในภพแต่ไม่ใช่ตัวหลักที่จะเป็นเชื้อแห่งภพบบดั่นั้นเมื่อเมื่อถามว่าจะทำยังไงต่อก ร, รมเมื่อเราทราบแล้วว่าก ร, รมคือสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่กระทำลงไปแล้วไม่ใช่สิ่งที่เราจะทำในข้างหน้าแต่เป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในขณะ น, นี้จะรู้ตัวก็ตามไม่รู้ตัวก็ตามใครรู้ว่านั่นคือกำเป็นแล้ว เกิดแล้วแล้วก็ดับแล้วเปลี่ยนแล้วเกิดแล้วดับแล้วอยู่อย่างเงี้ยกรรมก็มีเที่ยงหากใครเห็นสภาวะนี้คนนั้นจะสามารถดับกรบกรมได้ใช่สติเป็นตัวถูกต้องใช้สติเป็น ต, ต, ตัวนั้รงมีตัณหาประกอบกัน่อีไมีสิมีทุกคราวทุกทุกคราวถ้าถ้าเรามีอวิชชาอยู่แต่ถ้ามีแต่ถ้าไม่มีอวิชชาคือรู้การเกิดและการดับกรบกรม อันนั้นไม่มีตัณหาแสก็เรีว่ามุนโชนนี้มาประ ก, กอบเพราะอระครับทั้งตัณหากรมารมใช่ตัณหากำวิปลารวมอยู่แ้วจริงจริงมันก็มาจากมันจะเกิดเป็นตัณหาไม่เป็นตัณหาก็มาจากอาวิชชาทีนี้พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านรู้รท่านทราบเรื่องของกรรมท่านก้าวล่วงไปหมดแล้วเพราะอะไรท่านมีวิชานั่นเข้าใจเรื่องของกรรมทั้งหมด มันมันก็คือสภาพที่เกิดที่ดับที่เกิดขึ้นในขนาดนี้บางคนไปไปจดจํากรรมที่กระทําล่วงนานมาแล้วไงล่วงไปที่เรียกว่าเป็นกรรมที่ไม่ดีต่างๆนานาไปจดจํามาจดจํามาว่าเราไปทํากรรมอันนั้นอันนั้นก็เป็นกรรมใหม่ที่สร้างขึ้นใหม่ขนาดนั้นแค้ที่จริงแล้วกรรมมันล่วงไปละไปดับไปหมดไปทุกๆขนาดเหมือนกันเกิดขึ้นมาแล้วกรดับเกิดขึ้นมาแล้วกระดับกรรมก็อยู่ในภาวนี้กรรมไม่ใช่สิ่งที่จะมีอยู่โดยตายตัว จำได้เลยว่าทุกๆอย่างทุกๆสรรพสิพ่งไม่มีอะไรมีอยู่โดยตัวของมันแบบตายตัวแม้แต่กรรมเองก็ไม่ได้มีอยู่ดโดยตายตัวเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็หมดไป <S <S <S <ๆ>เพราะนั้นถ้าจะพูดถึงกรรมคือพูดถึงขณะนี้ไม่ใช่สิ่งที่ร่วงไปแล้วสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ใช่กรรมสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ยังไม่ใช่กรรมกำลังจะ ก, การะทาอยู่แต่ยังก็ไม่ตัดสินมาเป็นกรรม กรรมคือสิ่งที่เป็นอย่างขณะนี้บางคนบอกว่าเอา้าก็ก่อนใกล้จะตายจิตไปนึกถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วทําสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ใช่กรรมจิตที่ไปนึกถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วทำไมยังสามารถนําสู่พบได้มันนึกถึงปัจจุบันหรือมันนึกถึงตอนนั้นขณะที่นึกถึงเป็นปัจจุบันไหมเป็ปัจจุบันเพราะฉะนั้นปัจจุบันกรรมต่างหาที่ให้ผลใช่ไหม mm. ไม่ใช่อดีตให้ผลถ้าไม่นึกถึงมันก็ไม่เป็นปัจจุบันมันก็ไม่ให้ผลมันก็แค่นั้น Sa กรรมก็ดับดับดับดับเรย่อยๆดับบุคคคครเาบบอกวุ่ลผ er ู้เห็นการดับอันถูกต้องมีบุิก็จะพ้นคือเห็นการดับอย่างเนี้อย่างชัดเจนก็จะพ้นจากกรรมใช่ไหมเห็นนิโรธเห็นความดับก็พ้นจากกรรมเมื่อเห็นพ้นเมื่อเห็นการพ้นอย่างนี้ได้พี่เจ้าบอกว่านี้คือการดับกรรมทางพุทธศาสนาถ้าเอามาทีิบาตใช่เป็นปัทชุพันธ์ที่ แม้แม้คิดว่าจะทำอะไรในอนาคตคก็คิดในปัจจุบันนี่แหละที่จะทำมันไม่ใช่เรื่องราวของกรรมของอนาคตนะเช่นภิกษุรูปหนึ่ง <c oughs> คิดอยู่ในจีวรมากอยากจะอยากจะได้จีวร อ, อยากจะครองจีวรอนือนใหม่แล้วอาภาษตัวเองก็อาภาษพี่สาวตัดจีวร น, น้ำให้ใหม่ซักให้ยั ง, <c oughs> ย, งยังไม่แห้งตากไว้อยู่ เราก็ น, นอนอยู่บนเตียงก็เห็นผ้าจีวรตัวเองใช้แต่จีวรเก่าๆมาอยากจะใช้จีวรใหม่ยังไม่ได้ใช้จีวรใหม่อาพาธก็กำเริบขึ้นคิดอยากจะใช้จีวรขณะที่คิดเป็นปัจจุบันใช่ไหมจีวรเป็นอนาคตใช่ไหมนะแล้วตายลงไปขนาดนั้นไม่ใช่กรรมในอนาคตนะให้ผลเพราะอนาคตมันยังไม่ใช่กรรมพยายามปัจจุบันเนี่ยมันกำลังให้ผลเต็มตัวส่งผลไปเกิดเป็นเลนเกาะจีวรไง เพราะฉะนั้นถ้าใครรู้ขณะปัจจุบันนี้ทันเห็นเห็นขณะแห่งจิตที่กําลังคิดประกอบไปได้วยเจตานานทั้งหมดว่าเป็นกรรมก็กําหนดดูการเกิดขึ้นของกรรมการดับไปของกรรมนี้กรรม ก, กาลังเกิด ข, ข, ขึ้นกับเรานี้กรรมกาลังดับไปนี้กรรมกาลังเกิดขึ้นคิดขึ้นใหม่กรรมกําลังเกิดขึ้นมันจะอยู่เหนือกรรมไม่มีเจตนาอยู่ในนั้นแล้วมันไม่ประกอบด้วยตัณหาไม่ประกอบด้วยตัณหาใช่ไม่นําสูบภพชาติ หลักการและวิธีออกจากกรรพุทธิย่อสอนอย่างนี้ถ้าจะตัดกรรมทางวุตสนาตัดอย่างนี้พุทธิย่อถึงได้ให้เรากำหรู้อยู่ตลอดเวลาที่เกิดสติเราได้ต่อเนื่องไปถึงภพถูกถ้ากําหนดรู้จริงๆจะเห็นการดับของทุกสภาวะที่ตกอยู่ภายใต้ความไม่เที่ยงความไม่คงที่ในตัวของมันแล้วก็ความแตกสลายความดับสลายอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วแต่เราไม่เข้าใจในกฎกฎกฎเกณฑ์นี้เราจึงไปยึดจับ สิ่งที่ทำร่วบไปแล้วว่าเป็นกรรมสิ่งที่กระทําเป็นกรรมและขณะนี้เป็นกรรมกรรมเป็นกรรมไปหมดเลยตรงนี้ก็เป็นกรรมจริงๆตามความเข้าใจอย่างนั้นเป็นกรรมตามความคิดความเข้าใจที่เราเข้าใจว่าเป็นมันก็เป็นเอาแค่บางคนเนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้มีใจที่จะรังเกียจเราหรอกแต่เราไปคิดว่าไอ้มนุอย์คนนี้มันังเกียดเราหรือเปล่าวะมันไม่ชอบใจเราหรือเปล่าคิดมากเข้ามากเข้ามาเข้าเกยกลายเป็นอารมณ์บีบขั้นจิตใจตัวเอง สร้างกรรมขึ้นมาเองไปไปเข้าใจว่าคนอื่นจะละเกียจเราอย่างนั้นอย่างนี้ไปเข้าใจอย่างนะก็ <c oughs> เป็นจริ ง, ง <c oughs> จร <c oughs> ิงเลยเนี่ยถ้า <c oughs> เป็นอันนั้น <c oughs> คิดอะไรก็เป็นอันนั้นเพราะนั้นหาความคิดอยู่บนพื้นฐานของความจริงมันจะดับกรรมทั้งขวนได้ความจริงก็คือ รู้ความรู้รู้อาการหองรู้เรื่องของกรรมจริงๆนั่นแหละทีนี้เมื่อรู้เรื่องนี้แล้วคำถามที่ถามว่าจะปฏิบัติยังไงต่อกรมทีเนี้ยจะปฏิบัติยังไงล่ะรู้หรื อ, อยังเออโอแค น, อนั่นเองไม่ต้องมานั่งเสีย อ, อกเสียใจโอ้เราทํากรรมมาทํามาทํากรรมมานี้มาเนียไม่ต้องไอ้น้ำเสียอกเสียใจกําลังสร้างกรรมใหม่นะัๆๆๆๆ่นแหะแล้วถ้ามันไม่มีวิธีการนี้ไม่มีใครแต่จะรู้เรื่องหลักการนี้ จะมีคนพ้นจากกรรมไนไหมไม่นี่พระพุทธเจ้าเราตรัสรูเรื่อง น, นี้จึงทำให้คนพ้นจากกรรมได้ประเสริฐที่สุดแล้วประเสริฐที่สุดแล้วไง ม, ม, มันเป็นความหวังของบุคคลผู้จะหาทางออกหรือว่ามีถูก ท, าทําลายทครทักว่ามีวิบากกรรมจะมาถึงจะต้องได้รับเรื่องราวนั้นเป็นความเดือดร้อนไปแก้กรรมการไปแก้กรรมนั้นคือสร้างกรรมใหม่หรือดับกรรมค หรือยไปสั้างคำใหม่ดือยไปรู้ตัวเป็นภพชาติเป็นพบชาติอีกกับการมารู้ความจริงในขณะนี้รู้สิ่งที่ล่วงไปแล้วว่าล่วงไปแล้วสิ่งใดล่วงไปแล้วก็ล่วงไปสิ่งใดดับไปแล้วก็ดับไปมันก็ัดับกรรมดับดับความเศร้ามองของใจในอกุศลธรรมก็จะเกิดความของใสในอกุศลธรรมดับอกุศลแล้วเกิดความเป็นอกุศลแล้วก็เห็นอกุศลธรรมนี้เกิดขึ้นว่านี่คือกรรมอันหนึ่ง และกุศลนี้ก็ยังส่งผลเป็นไปใน ก, กุศลสังขารใกุศลสังขารกุศลสังขาร น, นี้ก็ชื่อว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่คงนทนถาวรและเป็นของต้องสลายตัวกรรมพอที่มันจะส่งผลมาหาตัวเรามันมันผูกคลายออกด้วยอํนานาจของความรู้รใช่อำนารู้ฐานะผู้ไดเจ้าในขณีวะนี่คืออนุภาพของพุทธะนะนี่คือพุทธานุภาพอย่างแท้จริง อนุภาคของความรู้ที่แท้จริงการกาหนดรู้ก็คือวิชาใช่การรู้จักสิ่งนั้นจริงๆโดยลำพรางจริงมีแค่นี้เองค่ะก็มีแค่นี้เองอ่ะไม่อะไรไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่ต่อแล้วก็ไม่ใช่ไม่มีการต่อมันดูมันเป็นแค่ตรงนั้นขณะนั้นตามจึงคืเรื่องของแค่สิ่งที่เกิดขณะเนี้ยแล้วเป็นดูแล้วกระดับไปแล้ว จะอะไรกับมันเราเอาอะไรได้ไหมล่ะก็พอเราไปรู้จักว่าเราเอาอะไรกัไม่ได้เราเลยไปเอามันมานึกว่ามันเป็นมันหรือว่ามีนึกว่ามันมีอยู่อย่างตายตัวอย่างนั้นนี่คือความหลงผิดเอามาแล้วอยากเอามาใช่ใช่ทั้งจากจะตอบสนองทั้งอยากจะมีสารพัดจริงๆมันอยู่แค่แค่ปัจจุบันและแค่จมูกสองอย่างจมูกแต่ถ้าจะละได้เด็ดขาดต้องไปเห็นอันานิพนธ์เพราะอนิพนธ์จะดับเกตนาทั้งกลัวเด็ด พระโสดาบันจะดับเจตนาในภพที่แปดอนาคาสกาธาคารมีจะดับเจตนาในภพที่สองอนาคามีจะดับเจตนาในกามาพบทั้งหมดพระอรหันต์ดับเจตนาในภพทั้งปวงเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระอรหันต์ท่านทำไม่ว่าจะเป็นกินดืมทําพูดคิดกิริยาอะไรต่างๆนานาจึงพ้นจากกรรมแล้วนะโถดัง น, นี้ชาติโยมี โซดาบัญชาติเดียวก็มีถ้าเป็นโสดาบัญที่อินทรีย์แก่กล้าเรียกว่า a กับ p c คือไปดับเจตนาอันที่จะส่งผลไปสู่ภพดับด้วยความเพียรคือเห็นอาการเห็นอริยสัจ <c oughs> เห็นอาการถึงการเกิดกา ร, การดับทีขึ้นทีขึ้นทีขึ้นอย่าจ น, น, น, นจนเข้าไปล้างความเห็นผิดที่เขาไปยึดจับกรรมที่ละเอียดบางอย่างเช่นสิ่งที่เขาบรรลุถึงคือโสดาบัญ น, นั้น การบรรลุถึงก็จะอำนวยผลให้ได้เกิดเป็นองค์คุณคือความเป็นโสดาบันการยินดีในองค์คุณที่ตนเองได้เป็นโสดาบันเป็นกรรมไหมเป็นกรรมใหม่ที่สร้างขึ้นในขณะนั้นใช่ไหมเขาไม่รู้ตัวเขาก็ต้องยึดถือผลแห่งองค์คุณแห่งความเป็นโสดาบันนั้นจึงสืบต่อพวกไปในเจแต่ถ้าเขาเริ่มรู้แล้วว่าการยึดผลของความเป็นโสดาบันอยู่นี้ยังเป็นกรรมใหม่ที่ตนเองสร้างขึ้น โดยการยึดถือผลของความเป็นโสดาบันนี้เขาก็จะทําความเพียรในการำกำหนดรู้ว่านี้คือทุกข์พอยังยึดถืออยู่ยังเป็นการสร้างกรรมใหม่อยู่แม้ในกรรมในอริยมรรคนะเห็ น, นไหมนี้คือทุกข์นี้คือเหตุให้เกิดทุกข์นี้ความดับไปของทุกข์มันจะเป็นลดคอนเกจนาที่เข้าไปยึดจับลดคอนไปเรื่อ ย, บ า, อ ย, บ, าอยบางไปเรื่อยบางไปเรื่อยเหลือสามชาติเรียกว่าโกลังโกละเหลือหนึ่งชาติเรียกว่าเอกภพชีคือเบาบางมาก นนเทียบเท่ากับสกัดค า, าบีเลยเบาบางจริงๆคือผููมีความเพียรมีสติปัญญารู้เท่าทันทีนี้สติปัญญาจะรู้เท่าทันมาจากไหนกับอบรมกันนี่แหละกับสอนกันในนี้แหละใช่ไหมพอพูดให้ฟังแล้วเริ่มเข้าใจยังไงเริ่มถูกจิตเริ่มอบรมแล้วพอจิตเริ่มถูกอบรมขึ้นมาแล้วก็เริ่มรู้เริ่มเห็นแล้วใช่ไหมก็เอาเรื่องเนี้ไปรู้ไปเห็นไปทาต่อ ไม่ใช่มารู้มาเห็นเฉพาะขนาดนี้พอพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าให้รู้เพียงแค่ครั้งเดียวหควเดียวพุทธเจ้ามีแต่บอกว่าให้รู้แล้วรู้อีกใช่ไหมรู้แล้วรู้อีกรู้แล้วรู้อีกกระทําให้มากเจริญให้มากมีแต่บอกอย่างนี้ส่วนมากคนมันไม่ทําให้มากอะดิมันตอนนี้รู้ตอนต่อไปทําไมมันไม่รู้อย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นงงงวยกันไปรู้แล้วไม่รู้รู้แล้วไม่รู้มันเป็นไปไปได้รู้แล้วต้องรู้ต่อไปรู้แล้วรู้อีกพุทธเจ้าว่าอย่างนี้มันมา นั่นมันลืมม <laughs> ันอยากคิดๆเรแค่คิดอะไรเงี้ยมันลืมนั่ะความลืมก็เป็นกรรมใหม่อ๋อกรรมใหม่ที่สร้างขึ้นมาเพรายากจำก็ไม่ก็พยายามการพยายามจะจําก็เป็นกรรมใหม่มันจะจะต้องไม่จําแต่มันถึงก็ปวดขึ้นมาเฉยการปุด ข, ขึ้นมาก็เป็นความรู้เพราะเราไม่ได้สร้างเกิดนาในกรรมนั้นเราก็รู้ต่อไป พอเข้าใจยังถ้าลืมอีกเป็นกรรมใหม่ถ้าตั้งใจที่จะไปจําก็เป็นกรรมใหม่ในระหว่างฟังมันก็เข้าใจใ่แล้วเข้าใจเอาฟังแล้วก็ลืมไปอแล้วลืมไปีแล้วก็คือจะมีเขาเรียกสติมันหลงลืมจริงๆตัวสติจะไม่หลงลืมสติจะเป็นตัวรวงเหนียวสภาวะนั้นไว้ไม่หลงลืมถ้าหลงลืมแสดงว่าสติไม่เจริญขึ้นเกิดความรู้แล้วไม่เจริญสติขึ้นในสิ่งที่รู้ นะถ้าเป็นเสียงเฉยๆนี่ฉันว่าลูกจอบอันเนี้ยแต่ถ้าจะเป็นลำดับเป็นคำพูดมันไม่ได้แต่ถ้าเป็นเสียงนี้มันจะผุดขึ้นอยู่ๆมันก็ผุดขึ้นเนี้ยค่ะมันคืออะไรมันก็คืออันนั้นแหละเพราะมันมันจะมันจะมีสิ่งบางสิ่งอารมณ์อยู่บางอารมณ์ที่อยู่ในขอบข่ายของเจตนากับอยู่นอกอเหนือเจตนา ไม่อยู่ในขอบข่ายของเจตนาคืออยู่เนือเจตนาเข้าใจไหมอันที่อยู่ในเจตนาคือสิ่งที่เราคิดนึกควบคุมสังการอันเนี้ได้อยู่ในเจตนาแต่ถ้าอยู่เหนือเจตนาคิดนึกสังการกไม่ได้เกิดเองดับเองมาเองไปเองพวกนี้อยู่เหนือเจตนาอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงมันจะมีอยู่แค่นี้อยู่ในเจตนากับอยู่เหนือเจตนา คือการชอบการฟังการเจตนาใช่แต่ทีนี้มันปะมันมันขุดขึ้นมาเองมันอยู่เหนือเจตนาถ้าอยู่เหนือเจตนาคือไม่ใช่เจตนาถ้าไม่ใช่เจตนาก็ไม่ใช่กรรมมันเหนือเจตนาตอนั้นคือเหนือเจตนาที่มันเกดขึ้นเองใช่และสิ่งที่อยู่ในเจตนาจะมีสองประเภทประเภทที่เป็นกิเลสอันนึงกับประเภทที่เป็นมัจเป็นผลมัจมัจในทางศาสนาเนี่ยมัจแปดอันนึง มรรคแบบจึงมีหน้าที่ไปแก้ไขกิเลสที่อยู่เหนือเจตนานะมันจะแก้กันกุศลเจิตยังเป็นเจตนาอยู่ได้ยังไมกุศลจิตยังเป็นเจตนาเพื่อแก้อ ก, กุศลแต่ตัวที่แก้กิเลสคือมรรคเราจะต้องสร้างมรรคขึ้นมาเพื่อให้มันเป็ น, ปนมรรคที่อยู่เหนือเจตนามรรคที่เหนือเจตนาคือมรรคจิตที่ทํากิจในการยังทราบด้วยยาน ทัศน์นมัคจิตของจิตเนี่ยมัคในจิตเนี่ยอย่งทราบด้วยญาณทัศน์อาศัยยาณทัศน์คือความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้นอยู่เสมอนี่ทุกนี้เห็นที่เกิดทุกนี้ความดับไปของทุกนี้ทําปฏิบัติถึงความดับทุกกําหนดบ่อยๆการกําหนดเป็นเจตนาแต่เมื่อกําหนดจนเกิดเป็นผลขึ้นมาแล้วเ ป, เป็นสิ่งที่อยู่เหนือเจตนามันจะไปทําลายล้างสิ่งที่อยู่เนเจตนาเอง สิ่งที่อยู่ในือเจตนากับสิ่งที่อยู่ในืเจตนาถึงจะทําลายล้างกันได้เพราะฉะนั้นกิเลสจะเอาเจตนาเราไปทําลายมันไม่ได้ทําลายไม่ได้เพราะกิเลสอยู่ในือเจตนาเพราะนั้นอาอะไรก็ตามที่ที่ประกอบไปได้วยกิเลสเราจึงไม่มีหน้าที่ในการลากมันเรามีหน้าที่ในการเจริญมากอย่างเดียวเพราะเราเจตนาเราทําได้คือเจตนาของเราจนความเจตนานั้น ที่เป็นมัดประกอบไปบ้างนั้นจะอยู่เหนือเจตนาที่จะเข้าไปทําลายพราะมันเองเข้าใจเข้าใ จ, ใจแต่ว่ามันมันไม่เข้าใจเ <laughs> ข้าใจเดี๋ยวมันต้องฟังใช่ต้องฟังก็กลับไปฟังอันนี้อีกให้เกิดเป็นความรู้ก็คือใหเกิดเป็นเพราะฉะนั้นเราต้องอบรมใจฟังแล้วฟังอีกฟังแล้ ว, ฟ, ลวฟังอีกจนจนมันมันมันเข้าไปถึงจุดของการ ไม่ลงลืมเลยอันนั้นคือสติเริ่มเริ่ ม, มดีแบบที่ไม่ลงมลืมเลยเนี่ยคือจําเกิลจำสภาวะธรรมนั้นไว้และเอาสภาวะธรรมนั้นอะ่ะมันจะใช้ไปได้ติดต่อเนื่องกันทุกขณนะพระมีสติไม่ลงมลืมเป็นสัมปัชัญญาครูเจ้าบอกว่าบุคคลผู้มีสติไม่ลงลืมเป็นสัมปัชัญ ญ, ญาอย่างนี้ย่อมสามารถเข้าถึงธรรมมาเป็นที่บรรลุความสิ้นทุกข์ได้ทําได้ก็มันมีช่องทางของการทําอย่างเนี้ยมันก็ทางาเป็นเป็นทางออกได้ ทีนี้เขาไปส่งไปโทษเวรโทษกรรมที่ไหนใช่ <c oughs> ไ, หไหมละ่ะไปโทษไม่ได้เลยแต่กรรมมีไหมมีมอวิบากกรรมมีไหมมีแต่ไม่โทษโทษทําไมก็เกิดจากการกระทําถ้าเรารู้ตัวขนาดนี้ปั๊บรู้ทราบความเกิดและความดับความเสื่อมความสิ้นของกรรมมันมันก็เข้าถึงวิมุตได้พระองค์จึงบอกว่าการที่เราไปมัวแต่โทษเวรโทษกรรมกับการที่เรารู้ความดับ เรียกว่ปฏิบัติต่อกรรมโดยการเห็นรู้และเข้าใจตัวกรรมที่เป็นอยู่ดับไปร่วมไปในสิ่งที่กระทํามาแล้วทั้งหมดว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นกรรมมันเป็นสิ่งที่เกิดระดับในขณะ น, นี้เกิดระดับในขณะนี้เกิดระดับในขณะนี้เท่านั้นพวงจึงบอกว่านิโรธอันถูกต้องวีมุตแล้วทําจิตตัวเองให้พ้นจากเรื่องเราที่เคยทํามาทั้งหมดที่เคยทําที่เคยติดที่เคยเข้าใจที่เคยยึดถือและกลายเป็นความ เศร้าหมองมัวหมองในจิตในใจในเรื่องกรรมต่างๆนานาสลักออกพ้นเรียกว่ารู้ความดับไปของกรรมนั้นอยู他他่บ่อยๆเรื่อยๆจิตก็จะพ้นออกมานี่โลดอับถูกต้องวิบูต์นั่นแหละชื่อว่าการดับกรรมวงสร้างกรรมใหม่สิ่งที่การที่เราทําที่เราทุคนอยู่มันทํากรรมใหม่อยู่แล้วแต่เรารู้จักกรรมใหม่ที่ทําหรือเปล่าว่าทําแล้วดับทาแล้วดับทาแล้วดับ กรรมในขณะที่มีชีวิตอยู่ยังไงก็ต้องมีกรรมยังไงก็ต้องเป็นกรรมสําหรับบุตรชนนะยังไงก็ต้องเป็นแต่เราจะปล่อยให้ตัวเจตนานี่ยจะสมผลให้เราไปตลอดโลกตลอ ด, ลอดชาติเลยเหรอเราจะไม่ลดทอนตัวแรงเจตนาให้เบาบางบ้างเลยเหรอมันมีหลายชั้นดิหากเรารู้ขณะ น, นี้รู้สึกตัวขณะ น, นี้มันก็จะไปลดทอนแรงเจตนาที่จะกระทำต่อต่ อ, ตอกำรร ม, มันเป็นพแค่ผู้รู้กรรม ที่กำลังเกิดขึ้นแล้วก็รู้กรรมที่กาลังดับไปต่อหน้าต่อตาเพราะฉะนั้นอดีตจึงไม่มีกรรมอนาคตอยู่มันจะเป็นรดอนแรงเจตนาที่จะการทำ ต, ต่อต่อกรรมที่จะเป็นอยู่ในขณาดนั้นและไม่ถูกอวิชาอาวิชาแทะถ้าอาวิชาอาวิชาแทะมันก็จะเป็นกรรมสืบต่อไปอีกทีนี้เพราะเป็นตันหาอุปทานกรรมเห็นไหมอวิชาตันหาอุปทานกรรมกรรมนี่เป็นผลแล้วนะคือได้กระทาลงไปเป็นผลมาจากตันชะนี้ ต้องเป็นยาเสพติดมันอ่อนไปนิดนึแต่ตอนนี้อะณปัจจุบันเลยใช่ใช่แต่มันไม่ได้พบแบบเต็มกําลังมันกําลังอ่อนๆสะสมเป็นกําลังอ่อนๆขึ้นถ้าเต็มกําลังคือมันจะทาําลายร้านอาสวัตพันิ์พานก็จะแจ่มแจ้งอันนั้นอะมันขึ้นอยู่กับการที่เราจะทําอย่างนี้ให้รู้อย่างนี้ต่อเนื่องไปได้สักแค่ไหนมากแค่ไหนบ่อยแค่ไหนเท่าทันแค่ไหน นะฮะมันกย่ย่มันก็ยากนั่นเอะซิมอะค่ะายเรืออะไรกลับมาแล้วนะใครต่อได้ัต่อได้รัจฮะต่อได้เมากมานเอาะคะจะเอาเสร็จสิ้นหรือว่าต่อต่อค่ะเสร็จสิ้นอ่เสร็จสิ้นไม่ต่อลระคะ